ก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะสงน้ำไม่พึงสงในที่ที่ไม่สมควรรูปใดสงต้องอาบัดทุกกฎ